ท่านพูดไว้ในหลักธรรมว่าความยินดีในธรรมชนะซึ่งความยินดีทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะซึงรดทั้งปวงคำนี้ออกมาจากท่านผู้ที่เคยได้ยินดีมาแล้วเคยได้ ริมรถพระจตฐ์ทำ ม, มาแล้วคือพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจฟังตามที่ท่านสั่งสอนไปไม่ว่าจะเป็นธรรมะบทใดย่อมทราบถึงถึงใจทุกบททุกบาทไปนอกจากจะฟังสักแต่ว่าเป็นกิริยา โดยที่จิตใจไม่ได้จกิดจอ่อรับเพลินไปในสิ่งต่างๆตามที่สายของจิตที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเท่านั้นาศนาสนธรรมก็รู้สึกจะไม่มีความหมายในจิตประเภทนั้นจนกว่าว่าจิตประเภท น, น, นั้นจะหันเข้ามาสู่หลักธรรมเกิดความสั้งใจขึ้นภายในตัวเองแล้วประพฤติปฏิบัติทำที่กล่าว ทั้งหลายก็จะเป็นเครื่องทราบซึ้งถึงจิตใจแล้วเกิดความเชื่อไปโดยลำดับเพราะมีฐานเป็นเครื่องรองรับกันโดยลำดับอยู่แล้วภายในใ จ, จิตใจเฉเพราะอย่างยิ่งการฟังธรรมในาภาคปฏิบัติถ้าจิตไม่มีพื้นเลยและไม่เคยได้สนใจกระอาดกับธรรมไม่เคยสนใจประพุ้นปฏิบัติ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 ถ้าเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดความท้อใจจิตใจเลยเกิดเพิ่มไปในทางอื่นไปเพี้ยบางทีก็ง่วงเอนห้องนอนอยากหลับอยากอะไรไปการเทศก็รู้สึกว่าเป็นเวลานา น, านเพราะมันเป็นการกดถ่วงที่เลยไม่ได้ออกเพื่อนผ่านต า, ตามความสะดวกสบายในขณะที่ฟังทำจำต้องระมัด ร, ระวังจิตใจความระมัด ร, ระวังจิตใจนี่เป็นเหมือนกับว่าถูกกักถูกขังไว้ใน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 ความรู้ที่สัมผัสกับธรรมนะมันสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีโอกาสที่จะเล่นรอดเอาไปสู่อารมณ์ต่างๆในขณะที่ฟังเลยทำให้จิตสงบตัวลงได้พอจิตเริ่มสงบตัวลงได้บ้างแล้วนั่นแหละเป็นการเริ่มสร้างฐานยึกถัดเราภาชนะขัดภาชนะของตนให้สะอาดขึ้นโดยลำดับและสมควรแก่การรับธรรมจิตใจจะเริ่มเยือกเย็นขึ้น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 แล้วก็ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ความรู้ความเห็นให้ถูกต้องประจำแนวทางจุดท่าก็ไปถึงขั้นที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมผงใสย่อมสงบเมื่อปรากฏผลขึ้นมาเช้นนี้แล้วความยินดีในธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นมารสของธรรมก็เริ่มปรากฏแม้จะยังไม่ชนะรสอันใดก่อนก็ตามแต่ก็จะเริ่มเป็นรสที่ดึงดํา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 ที่เป็นที่มีความเคารพนับถือร่วมสายท่านในภาคปฏิบัติทั้งทางด้านจิตใจอาจารย์นั้นไปอยู่สถานที่ใดผู้ศิษย์ลูกหาจะทยอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมากมายกายกลกองยกตัวอย่างเช่นอย่างท่านจัรมั่นเป็นต้นท่านไปอยู่ในสถานที่ใดผู้ศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้อยู่ไกลมักจะทยอยไปหาท่านเสมอแม้จะอยู่กับท่านโดยเฉพาะ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 ทัานเรในษาส่วนมากเป็นอย่างนั้นพระจึงติดพระกรรมาฐานจึงติดครูตีอาจารย์ด้วยเหตุที่เองขนาที่ฟังเป็นสำคัญมากได้สติปัญญาได้กำลังทางด้านจิตใจขึ้นมาเป็นระยะๆไม่เคยคลาดไปเลยจากการฟังครั้งนั้นๆน อ, องค์ท่านเองก็เป็นเหมือนแม่เหล็ก เป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของท่านเนนให้เกิดความสนใจทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอัดเป็นธรรมแล้วแล้วมีท่านเป็นสําคัญเป็นเครื่องดื่มให้มีความเพลิดเพลินลื่นลริงในอัดในธรรมได้พบได้เห็นท่านทั่วระยะระยะหนึ่งก็เป็นเครื่องดึงดูดภายในจิตใจให้เกิดความปีติยินดีและแถมยังได้ยินได้ฟังท่านพูดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเทศก็ทั่วไป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 ท่านไปด้วยอริยสัยของท่านเองเวลาห่างครูห่างอาจารย์ออกไปอีกใจที่ยังไม่สามารถที่จะรักษาตนเองได้ก็จะมีความ ว, าว้าวหรือเกิดอุบายอะไรขึ้นมาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็ต้องคิดถึงครูถึงอาจารย์ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะคิดค้นแก้ได้โดยลำพังตนเองก็ต้องรีบมาหาท่านให้ช่วยที่แก้แนะนาซึ่ง ตัดลดเวลาที่ยืดเยื้อแต่การแก้ไขของพลังพังธุ์เดียดนั้นออกได้มากมายเพราะท่านรู้ทั้งเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพอเราเกิดข้อข้องใจอะไรมาหาท่านเพียงเล่าถวายท่านเท่านั้นพอจบประโยคลงท่านจะแก้ให้ขันถีแล้วเข้าใจในขณะนั้นเนี่การดูครูกับอาจารย์ที่ท่านรู้จริงเห็นจริงแล้วไม่เนิ่นช้าไม่เสียเวลามัเวลา ในปัญหาแต่ละข้อละข้อจะเป็นประโยชนจากผู้มาศึกษาแต่ถามมันมากม า, กกายไกลกองไม่ผิดหวังนี่ความที่รู้จริงเห็นจริงผิดกันอย่างนี้และตะกี้นี้แล้อธิยกขึ้นเรงเรื่องความยินดีในธรรมก็ดังที่กล่าวมานี่แหละความยินดีในธรรมยินดีไปเรื่อยๆ ด้วยอำ น, นาจแห่งการได้ยินได้ฟังเสมอและการประพฤติปฏิบัติตนอยู่โดยสมัคเสมอเช่นเดียวกันผลคือรสชาติทิปากฏขึ้นผ่านจากการปฏิบัติก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆมีความแม่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธิมีความล่มเย็นเป็นสุขสะดวกสบายไม่คิดสายแสวุ่นวายไปกับเรื่องอะไรทั้งหมดประหนึ่งเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตแตะธรรมที่จะ พึงพินิจพิจารณาที่จะพึงปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งเนื้อเหนวแน่นเข้าไปโดยลํำดับถ้าเป็นขั้นปัญญาก็จะพิจารณาไปทั้งกว้างแคบเพียงไรบรรดาในสภาวธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองโดยไถ่เดียวเท่านั้นจึงเป็นความเพลิดเพลินไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจของเราในเมื่อมุ่งต่อทำอย่างแรงกล้าเพียงไร ย่อมมีความเข้มแข็งย่อมมีความอาฐานย่อมไม่มีความเยื่อใยในชีวิต จ, จิตใจตลอดถึงความเป็นอยู่ปูวาไรทั้งหมดไม่เป็นกังวลวุ่นวายเลยมีแต่เข้มคิดทางเดินแห่งธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้เป็นไปโดยลำดับนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเพลินด้วยความภาคเพียรเพลินด้วยการพฤทปฏิบัติทเป็นสมาธิก็เพลินด้วยความสงบเงย็นใจ ถ้าเป็นภาคปัญญาก็เพลิน้ดยการคิดค้นในแง่ต่างๆเพื่อเป็นการถอดถอนเหตุไปโดยลาดับๆในขณะที่พิจนนารณาความผาสุเกเย็นใจจึงมีได้ทุกระยะระยะของการประกอบความเพียรอยู่ในที่สบงบเงียบเท่าไรความรู้นี้ก็ยิ่งเด่นแม้ความรู้ทางด้านสมาธิก็เด่นในความรู้สึกตัวเอง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 เป็นอยงกายอย่างที่ทันวัดกายยาคตาสติอย่างนี้ก็รู้สึกว่าผู้อย่างหนึ่งก็เพินเผินเพราะจิตมันเถินจิตไม่ปักจิตไม่มีหลักจิตไม่มีสติจิตไม่มีปัญญาจิตไม่มีหลักเกณฑ์คือทำเป็นหลักเกณฑ์ของจิตพูดอะไรก็ไม่ค่อยถึงอิตถึงกาแต่พอจิตมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลขึ้นภายในตัวเท่านั้น อาวเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในที่สงบสงดกาหนดพิจารณาดูร่างกายในขณะที่นั่งภาวนามันทะลุปู่ผงโล่งไปหมดทั้งร่างกายว่าอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกทราบซึง้งเราจะพิจารณาดูตามผิวหนังข้างหนอกอะเราจะพิจารณาให้เป็นอรูปะอสุพังก็ดีมันก็เป็นอย่างชัดเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นอยู่แล้ว เป็นแต่เพียงว่าจิตทั้งเราไม่เดินตามความปิความจริงนั้นเท่านั้นจริงเป็นเหตุที่ขัดแย้งกับความจริงนั้นอยู่เสมอเมื่อจิตใจมีความสงบพยยิจารณาเอาเราเดินกรมน ร, ร, นกรมฐานคือจิตพาจิตเดินกรรมฐานท่องเที่ยวในสกลากายคือขันหา น, นี้เดินขึ้นเบื้องบนถึงศีรษะเดินลงเบื้องตง่ถึงพื้นเท้า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 กายเนื้อนี่หายไปหมดแต่ภาพที่พิจารณานั้นก็พิจารณาไปโดยลาดับเช่นเดียวกันทั้งๆ ท, ที่อาศัยภาพแผงร่างกายที่ที่มีอยู่นี่แหละเป็นเครื่องพิจารณาแต่ส่วนปรากฏร่างอันนี้เหมือนเริ่มแรกนั้นไม่ปรากฏหายบไปอาการนั้นยังไม่พิจารณาจนกระทั่งมีความละเอียดละออในความรู้สึกของจิต จนกราทั่งร่างการนี้เราจะพิจารณาให้เป็นความแปรความสลายลงไปไงก็ค่อยเป็นไปโดยลำดับลาดับมีความรู้กับภาพที่ปรากฏภายในจิตใ จ, จโดยทางปัญญาที่สอดแทรกนั้นเท่านั้นแล้วเห็นอย่างชัดเจนเพราะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายจิตใ จ, จก็ไม่ฮีโัยที่จะอยากยิ่งเจ้นผึน่งกระโดดออกไปสู่ภายนอกเทินกับงานคือการพิจารณานั้นเท่านั้นนความเข้าใจก็ต้อง ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาความชัดขึ้นความเข้าใจชัดมากเพียงไรยิ่งทําให้เกิดความสนใจยิ่งขึ้นโดยลําดับลาดับสุดท้ายก็มีแต่ภาพหรืออารมณ์นั้นกลับใจหรือกับปัญญานี้เท่านั้นที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ภายในร่างกายที่เรากําลังพิจารณาอยู่นั้นส่วนร่างกายอันแท้จริงนี้ก็เลยหายตัวไปไม่ทราบหายไปไหนคือมันมันไม่รู้สึกกายยานั้นไม่รู้สึกว่ามีกายทาั้งทั้ที่พิจารณาร่างกายอยู่นั่นแหละ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 อะไรๆหายหมดขณะนั้นสัญญาณสัอญาณวิญญาณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยเพียงแต่รูปอย่างเดียวนั้นมันก็พอกับความเป็นอยู่ของจิตในขณะนั้นแล้วเข้าสู่วความสงบแน่วไปเลยคือเหลือแต่ความรู้ล้นล้ว น, นอย่างเดียวร่างกายที่ที่เราตั่ ง, งนี่หายหมดอันนี้ก็มีการพิจารณาแต่ปริณาอยากห้าดเป็นแต่เพียงว่าฟังให้เป็นความเพลิดเพลินรื่นเรงในขณะที่ฟัง อันจะเกิดผลประโยชน์ในการฟังเวลาเราพิจรารณาตามสติสังสัยของเราแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเราเองที่จะปรากฏขึ้นมาภายในตัวเองตามสติสังสัยของตัวเจ้าเรื่องของคนอืน่นเข้าไปให้เป็นอย่างนั้นเข้าไปสู่ตัวให้ตัวของเราใ ห, ให้เราเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นเห็นอย่างท่านนั้นไม่ได้อันนี้เป็นสติสังสัยของแต่ละคนละคนที่จะเป็นไปตามหลักธรรมราชาติของตนเองที่โดยพิจรารณารู้เห็นอย่างไร นี่ประการหนึ่งที่อธิบายมานี้ประการที่สองเวลาพิจารณากาย้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานนั้เราจะว่าอนิจจังหรือทุกขังอนัตตาก็ตามเมื่อปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับรู ป, ปรขันธ์นี้โดยชัดเจนแล้วมันหนักทราบภายในตัวของมันเองทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นสิ่งที่จะพึงปล่อยวางเป็นสิ่งที่จะพึงเบือนหน่ายคลายความยินดีไปโดยลําดับลําดับน่ะเพราะมันเห็นชาติ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 ยังไม่ขาดจากกันคือยังไม่พอตัวมันรู้เป็นระยะๆอย่างนี้ไปก่อนคราวหลังก็รู้อย่างนี้แล้วมันซึมซาบเข้ามาเช่นเดียวกับจอกแง่ที่มันหุ้มเข้ามาอันนั้ปิดน้ำมันเองเราเบิกเราแบบจอกแแบบแง่ออกหย่างลงไปมือหย่างไปถึงน้ําเห็นน้ําแล้วพอยกมือขึ้นมาจอกแง่ก็หุ้มเข้ามาปัญญ า, มาเมื่อมาเบิกสิ่งหนึ่งแถว น, นี้ลึกอคลี่คลายสิ่งนี้มันก็เห็นชัดอย่างนั้น เฮ้พอถอยปัญญามาจากขณะนั้นแล้วมันก็หุบเข้ามาแต่หลายครั้งหลายหนไอเรื่องเจอะเรื่องแหน่ค่อยบางไปบางไปการพิจารณาในอาการแบบนี้มันค่อยสะดวกไปสะดวกไปคล่องแคล่วไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกละเอียดไปโดยลํา ด, ดับๆจนกระทั่งถึงความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วมันถอนได้อย่างเด็ดขาดระจากกระปิดโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นทีเดียว คำว่าสันธิทิโกจริงไม่มีปัญหาอะไรเลยกับความรู้ของผููนั้นมีความเพียงพอตัวเองที่จะเห็นประจักษ์ในสันธิทิโกอย่างเต็มภูมิในขันนั้นๆนีนนป่ประการที่สองวเวลาพิจารณาร่างกายอย่างนี้บางทีจิตมีความสัมผัสกั บ, กบเวทนามันก็ไปแยกพิจารณาเรื่องเวทนาอีกแล้วแต่จริตของจิตมันไปแยกพิจารณาเวทนามันก็วิ่งมาหากายเช่นเดียวกัน พี่นาดูเวทนาคําว่าทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์มันดูมันกำํำนัดมันตรองมันมันจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็ย้อนกข้ามาหากายกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาแล้วย้อนเขมาหาจิตจิตก็เป็นจิตเอาเมื่อเวลาจิตถอยออกมาจากกายจากเวทนาเสียกายกับเวทนาก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความรู้ล้วนล้วนเมื่อกระแสจิตแยบออกไปสู่เวทนาก็ปรากฏเป็นเวทนาขึ้นมาปรากฏเป็นกายขึ้นมาอาการนั้นๆ ก็เป็นเครื่องสอนเห็นว่าอาการอะไรที่จะปรากฏก็เพราะความรู้อันนี้ไปให้ความหมายสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นไปในทางที่ปลูกมัดตนเองคือเป็นในทางสมุทัยมันก็ต้องอาศัยความหมายนี้ไปไปเป็นธาตุธาถือปลายสำคัญมั่นหมายถ้าเป็นไปในทางปัญญาก็อาศัยปัญญากระแสของจิตนี่เองไปพิจารณาตรองเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วถอนตัวเข้ามา จากนี้พิจารณาเวทนาสัญญามันแยบออกมามันก็รู้ถ้าพิจารณาเวทนาอย่างละเอียดเรอเข้าไปแล้วเพียงสัญญามันแยกออกไปก็รู้ไอ้สังขาปรปุงนั่นก็ก็เหมือนหิงห้อ ย, อยนั่นเองยักๆถ้าสัญญาไม่ไปหมายสังขารก็เพียงปุงยักๆแล้วดับไปดับไปไม่ว่าจะปรุงเรื่องใด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 พอยับพอยับแล้วดับทันทีแนวอยู่ตัวโดยลําพังทั้งเดียวยับขึ้นมาคือมันปรุงพอยะปรุงยังไม่ได้เรื่องเลยลาวอะไรแหละเพียงกระเพื่อมเท่านั้นมันรู้กันเสียมันดับไปพร้อมเสียพอพอกระเพื่อมพับอย่างนี้รู้กันเสียเพราะสติมันอยู่ที่นั่นแล้วดับไปเสียไม่ได้เรื่องเลยลาวอะไรทั้งนั้นเพราะอํานาจของสติที่ควบคุมอยู่ในขณะนั้นหรือพลังของสมาธิยังไม่คลายตัวพระไา้ ให้พอปรุงถึงสองสามครั้งแล้วแล้วี่เข้า ด, ด้วยด้วยแั้วเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเช่นเดียวกับเด็กตื่นนอนแรกเด็กก็มีความกระดุกกระดิกหน่อยหลายครั้งเรหงก์เข้าไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอันนี้คิดก็เหมือนกันมีความสงบนีพูดถึงเรื่องขั้นสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันการพิจารณาอาการต่างๆดังที่กล่าวมานี้ท่านเรียกปัญญา เมื่อพิจารณาพอตัวแล้วจิตจะกล้าเข้าสู่ความสงมบโดยลาทางตนเองแล้วปรากศจากความบุ๋มความแต่งความปะปนอะไรทั้งหมดปรากฏอยู่แต่ความรู้เพียงเท่านี้ก็มีรสมีชาตเต็มภูมิแห่งสมาธิที่ควรจะชนะรสทั้งหลายได้อยู่ไ ด, ยได้อยู่แล้วอันนี้ความยินดีในความสงบนี้ก็ไม่เคยอิ่งตัว มีความดูดดื่มในความสงบเย็นใจอยู่เสมอไปที่ไหนก็กจิตเป็นรากเป็นฐานจะตัวเองอยู่แล้วสบายไปเลยเย็นเราจึงได้ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องถาบเรื่องขันสำคัญคือความปรุงของจิตคือปรุงขึ้นมาแล้วสังขาเวทนาความอ้อยสัญญาคือความหมาย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 เป็นเรื่องเป็นราเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตรเรื่องอนาคตที่เคยผ่านมาแล้วกว็ดีที่ยังไม่มีกด็ดีมีตั้งแต่เรื่องของจิตบอกว่าภาพเราอยู่ด้วยความคิดความป ร, ร, รุงของตัวเองเทินและโศกด้วยความคิดความปรุงตัวเองเท่านั้นนี่เวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปจริงแล้วมันทราบได้ขนาด น, นั้นปกติเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนไม่เคยภานา น, นั่งอย่างนี่บางทีจนตาเธอมองอะไรไม่รู้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 บางทีเรื่องราวผ่านมาแล้วเป็นกี่ปีก็ตามไม่ทราบมันหายไปไหนแต่เผอิญไปปรุงเรื่องนั้นไปะระลึกเรื่องนั้นขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่เกิดความที่เคยเสียใจก็มาเกิดความเสียใจในเรื่องนั้นอีกพุ่นขึ้นมาปรุงขึ้นมาทั้งทงที่เรื่องมันไม่สุขไม่ทราบมันหายไปไหนนี่ก็คือเงาของจิตหลอกจิตจนเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาเป็นตัวอะไรเป็นตัวโกรธตัวรุบตัวหลงตัวทุกข์ตัวร้อนขึ้นมาจริงๆจากเงาอันนั้น เพราะฉะนั้นการพิจารณาอาการของจิตยิ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ปัญญาจะต้องสอดแทรกตามให้ทันเมื่อสติปัญญาทันแล้วตรุงขึ้นเรื่องอะไรมันก็ทราบเช้าแบบไปจา ก, กจิตกําลังจะไปหลอกตัวเองนั่นจะไปสําคัญมันหมายกับรกูกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรก็ตามมันกําลังจะไปเอื้อมว่าดภาพฉะนั้นฉนี้นั่นขึ้นมาภาพที่นี้ขึ้นมาหลอกเราเนี่ยมันรู้มันรู้มันดับทันทีพอเรา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 มันเกิดขึ้นจากจิตที่ทั้งนั้นจิตที่เป็นตัวกลตัวมายาตัวหลอกหลองที่สุดนานมันรู้นี่นี่แหละวิธีกพิจารณาจิตพิจารณาอย่างนี้สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีความหมายมันไม่มีอะไรสําคัญมันสําคัญอยู่ที่ตัวที่หลอกเพียงเท่านั้นอ<ะ>จึงต้องพิจารณาตัวหลอกเนี่ยให้ทันด้วยสติปัญญากําหนดเหมือนกับว่าหิต ด, ดวงนี้เป็นนักโทษทีเดียว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 เกิดความดีใจเสียใจเกิดความถูกความทุกข์ขึ้นมาด้วยอํนนานาจแห่งลมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจนี้เท่านั้นหนักมันเห็นเข้าไปโดยดําดับแล้วก็มาเห็นโทษของใจโดยไถ่เหยียบ อ, อะไรจะปรุงขึ้นก็ตามผลที่กฤดจะเบิกอย่า ง, งที่ว่าปรุงเสือปรุงช้างมันเป็นสังขารออกมาหลอกตัวทั้งหมดรู้ทีนี้มันแคบเข้ามาผลสุดท้ายก็จับนักโทษได้แต่มันยังลงโทษนไม่ได้ยังจับตัวมันได้ วิยีใช้คข้ควรมันอย่างนั้น น, นี่จะเรียกว่าเป็นขั้นของสติปัญญาอันสาคัญนะนี่ที่แรกอาศัยเรื่องธาตุ่องขันซากฟอกจิตใจด้วยธาตุด้วยขันซากฟอกจิตใจด้วยรูปเสียงกิโนตุลังผัสโดยทางปัญญาแล้วก็ซากฟอกจิตใจโดยเฉพาะด้วยสติปัญญาอันสำคัญนะทีนี้นี่ตามต้นกันอยู่นี่ ไม่ไปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสรู้เรื่องรู้ราวหมดแล้วไม่ใช่ตัวเหตุตัวผลไม่ใช่ตัวสําคัญยิ่งไปกว่าจิตใจดวงนี้ที่เป็นตัวสําคัญมากเป็นตัวโทษที่สุดเป็นนักโทษนักอกวนนักจุ้มเหยื่อบุญวายอยู่ที่นี่ค้นเข้ามาแล้วก็จ้องแต่ตรงนั้นไปไหนก็มีแต่จิตเท่านั้นเป็นนักโทษคอยดูตั้งแต่นักโทษตัวนี้จะแสดงตัวอย่างไงออกมานอกจาก ว่านักโทษตัวนี้มันจะแสดงตัวอะไรออกมาแล้วยังต้องมีปัญญาสอดแทรกเขาไปว่าอะไรเป็นเครื่องเสียมสอนมีอะไรมีฉากหลังฉากหน้าของนักโทษนี้จึงต้องทําทุติดินตลอดเวลาคิดปรุงแต่งเรื่องราวหลอกลวงเราอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นค่อยหลักนี่มันก็กุดค้นเข้าไปที่ตรงนั้นนี่นะปัญญาไม่เพียงแต่เราจะมา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 เมื่อเราเห็นจิตเป็นนักโทษแล้วเราก็สนุกพิจารณาปล่อยวางหมดภาระน้อยลงไปน้อยลงไปนี้แต่เรื่องจิตกับเรื่องความปรุงความสําคัญที่เกิดขึ้นจากจิตโดยแตเดียวเท่านั้นมันก็แคบสติปัญญาหมุนจิ้วจิ้วอยู่นนั้นสุดท้ายมันก็รู้ว่ามีอะไรเป็นสาเหตุที่ให้มันปรุงขึ้นมาให้เกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดมันมีอะไรมันก็รู้อันนั้น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 ไม่เป็นของจริงมันก็จะสลายไปด้วยกันถ้ามันเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติตมแล้วจิตนั่นจะกลายเป็นจะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นของกระเสริฐขึ้นได้เพราะสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นได้หลุดรอยไปแล้วด้วยปัญญานะเมื่อสิ่งที่จอมปลอมอันเป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในจิตได้สลายตัวลงไปด้วยอํานาจของสติปัญญาแล้ว นั่นแหละเ ป, เป็นทำเป็นธรรมแท้ขึ้นเราจะเรียกว่าจิตแท้ธรรมแท้ไม่ขัดกันพราะหมดสิ่งที่จะมาคอยขัดคอยขวางซึ่งเป็นเรื่องของจิตเล็แล้วเราจะเรียกตรงนี้ว่ารถแห่งธรรมชนะสุนรถทั้งปวงได้ร้อยเปซ็นเมื่อจิตได้เป็นจิตเป็นธรรมน้่นล้นแล้ว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 มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งการแก้กันถอนกิเลสถึงความบริสุทธิ์ของจิตเป็นสิ่งที่ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นมาอย่างเต็มพระทยัยและประกาศธรรมสอนโลกด้วยพระเมตตาอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกันเหมือนเราได้นำธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนี้มาประพฤติปฏิบัติอย่างถึงใจแล้วเราจะได้เห็น สิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้โดยลําดับัๆจนกระทั่งเห็นอย่างเต็มภูมิของการปฏิบัติเราแล้วรู้อย่างเต็มภูมิพ้นทุกอย่างเต็มตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องกอเกา ะ, ะเก่ยกวอ่าเกี่ยวกับร่างปาัจฉะคือความเกิดตายของจิตมาถึงคันนี้แล้วก็มาทราบจะเทศอะไรต่ออีกจึงขอที่ติดเพียงเท่า น, นี้